สีหากะโคจกะมีสัญโยชนะเป็นต้น 1. นกุสลตะกะ22สภาวะธรรมที่เป็นสังโยซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ23สภาวะธรรมที่เป็นคันทะซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นโอคะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นโยคะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโยคะซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบหกสภาวธรรมที่เป็นนิวรซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรซึ่งไม่เป็นอกุศล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 มหันตระทุกะหนึ่งกุศลตุกะยี่สิบปดสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นกุศลอาจจะสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอกุศล อาใจสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาใจสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาทิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิภัตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ29สภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤตมีสามวาระสาสิ สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสาสอสภาวธรรมที่สัมปยุตติจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตติจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่ยเอเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสาสองสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รัควรกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสาสสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศล อาศ <REY> ัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสามสิบสี่สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระสาสิห้าสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสาสิหสภาวธรรมที่รัรกพึกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รักพึกับจิต และมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่อเหตุปัจใจมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีสามวาระสามสิบเจ็ดสภาวธรรมที่รคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระส8สสภาวธรรมที่รควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รควงกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สามสิบเกสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยออจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสี่สิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งไม่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสี่สิบเอ็ดสภาวะธรรมที่กลรรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กลรรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหกสิบเก้าอุปาทานะทุกะหนึ่งกุศลตะกะสี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเจ็สิบห้ากิเลสทุกะ หนึ 1> 1. ่งกุชละตึกกะสี่สิบสามสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระแปดสิบสามถึงหนึ่งร้อยปิติทุกะกะหนึ่งกุชละตึกกะสี่สิบสี่ สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นนภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นนภยากฤิศเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสโดาปติมักซึ่งเป็นอภิญากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสโดาปติมักซึ่งไม่เป็นอภิญากฤตเริดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสีสบหสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมากเบื้องบนสามซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมากเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสี่สิสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมรักซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมรัคซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสี่สิบแปด สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกซึ่งไม่เป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ49สิสภาวธรรมที่มีวิจารซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารซึ่งไม่เป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าสิสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นก ouais. ุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่โสหรโคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรโคตดด้วยปีติซึ่งไม่เป็นกุศล เกิดขึ้นเ พ, นพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าสิบสองสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าสิบสาม สภาวธรรมที่สโสโรคดูเบกขาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สโสโรคดูเบขาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระห้าสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกลามวจรซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งไม่เป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระห้าสิบเจสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องเหนือวัตตทุกข์ซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนื่องหรือวัตตทุก์ซึ่งไม่เป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ส itas, ภาวธรรมที่นับเนื่งในวัตทุก์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนึ่องเนวัตทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระห้าสิบปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตฏุขุขึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตฏุขุขึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตปะปัจจัยมีสองวาระห้าสิสภาวธรรมที่ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาะวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาะวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาะวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุหถูปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระหกสิบสภาะวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระหกสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตาปั太太จจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอัภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระ อาทิตติปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระหนึ่งเหตุตุทุกกะสองเวทนาตุกกะห2สิบสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนา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 เหตุปัจจัยม so ีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระไม่มีวิบาสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปะยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึงไม่สัมพยุ ด, ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะสวิปากติ ก, กะหกสิบสามสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นวิปาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะสี่อุปาทินาติกะหกสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ความอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัใจจัยแก่สภาวธรรม ที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยระมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยระมณะปัจจัย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 โดยอารมณปัจจัยมีสามวาระย่อมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสาวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอัติปัจจัยมีสามวาระนัตติปัจจัยมีเก้าวาระ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 ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ หเหตุทุกขะห้าสังกิริธะตุกะหกสิบห้าสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสทาให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะหวิตกะตือกะหกสิบหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตตุกระวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตตุกะวิจารณ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะเจ็ 7. ปีติติกะหกสิบเจ็ด สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต Fo so yes ้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซ yes ึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหกสิบเก้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาหและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาหและมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาหและมรรคเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีทุกกะเป็นหมลมีหนึ่งวาระย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะ เทัศนะเหตุติกะเจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัย ส, สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเจสอสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมรรคเบื้องบนสาม เกิดข oh ึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่มีทุกขะเป็นมูลมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอาทิปติปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจใจมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกขะสิอาจยะพรามิติกะสาสิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจยอ่อเหตุปัจใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน เกิดข <ge> <dia> ึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระหนึ่ง เหตุทุกกะสิบเอ็ดเศขาดิกะเจ็ดสิบสามสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเศขาบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเศขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเศขบุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่เป็นของอาศัยขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสศัขบุคคลและอเสัยขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นของเสศัขบุคคลและอเสัยขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยจภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะสิบสองปริตติกะเจสิบสี่ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ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 อวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกขะสิบสาปริตารรมณะตุกกะเจ็สิห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีปริตาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหาคตะเป็นอารมณ์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 อวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกขะสิบสี่หินนาติกะเจ็สิบหสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นกลาง อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นปราณีอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นปราณี เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะสิบห้ามิจตะนิยตติทุกกะเจ็ดสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ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 อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ หเหตุทุกกะสิบหมัคคารมณะติกะเจสิบปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมัคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมัคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมัคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมัคเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิพดีอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นทธิพดีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ ถุทุกกะ17โอปันนาติกะ79สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมณปัจจัยย่อธรรมะปัจจั ย, ย, ม, จจยมีกลาวาระอธิปติปัจจัยมีกลาวาระอุปานิเสสปัจจัยมีกลาวาระ1เหตุทุกกะ18อตีตติกะ80 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันโดยระมณปัจจัยย่อระมณปัจจัยมีฆ่าวาระอธิปติปัจจัยมีฆ่าวาระอนันตรัปจ์ใจมีฆ่าวาระสมณันตระปัจจัยมีฆ่าวาระอุปะนิสยาปปัจจัยมีฆ่าวาระนัตถิปัจจัยมีฆ่าวาระวิคตปัจจัยมีฆ่าวาระ หเหตุทุกกะ19อดีตารมณตุกะแปสิบเอดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเดตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเดตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอนิคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 1. เหตุทุกขะยี่สิอจชะตตะกะ8ปสสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนโดยอ ร, รมณะปัจจัยย่ออรมณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระกูปานิียปัจจัยมี9ก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระ อวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที er er e sa ่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนโดยรมณะปัจจัยย่อระมณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีก้าวาระปุรรชาตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ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 สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดเพ้่เพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระไม่มีอัจฉรพยะพิทธารมณ์หนึ่งเหตุทุกกะยี่สิบสองสนิททัศนติกกะแปดสิบสี่ สภาวธรรมที่ไม <Fantastic>. yes. mm ่เป็นเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่มีธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นแปดสิบห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปฏัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิยคตปจัจใจมีหนึ่งวาระ 2. สองเหตุกุกะทุกกะยี่สิบสองสนิทัสนะทุกกะแปดสิบหกสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้ อาศัสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่มีธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ hmm? ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นเหตุปัจจัยมีสามวาระ อธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้แ ล, และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวะธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เหมือนกับเหตุกะทุกกะมีสามวาระไม่มีวาระในเหตุถูกะทุกกะและเหตุเหตุสัมยุญตทุกกะหกนเหตุถหกะทุกกะยี่สิบสองสนิทศนะถูกะแปสิบเจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปใจมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจมีหนึ่งวาระย่อเหตุุปัจมีสามวาระอธิปฏิปัจใจมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระอาศัยจภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีสามวาระเท่านั้นยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ 7. จ็ดสัพพัญญทุกะยี่สิบสองสนิทัสนะเดือกะ แปสภาวะธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้